เกา้าภละกถาว่าด้วยภละเรื่องเกิดขึ้นทีกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายภะละห้าประการนี้พละห้าประการอะไรบ้างเคือหนึ่งศัทธาพละภละคือศัทธาสองวิริยะภละ ภะคะวิริยะ 3. สติภลคะภะคะคือสติ 4. สมาธิภลคะภะคะคือสมาธิ 5. ปัญญาภลคะภะคะคือปัญญาอีกอย่างหนึ่งภะคะหแปประการคือสัทธาภละวิริยะภละสติภละสมาธิภละปัญญาภละหิริภละโอตตะปะภลปฏิสังขาณะภะะ ภาวนาภละอนัวชะภะะสังกหภะระขันติพะระปัญญติพระนิชติภะระอิสริยะภลระอธิฐานะภะระสมถะภลระวิปัสนาพระเสขะภะระสิเอเสขะภะระสิทขีณาสวะภะระสิบิหิธิภะระสิทธตถาคตภะระสิบ ศรัทธาภละเป็นอย่างไรคือชื everyone, for for everyone,. For everyone, ่อว so ่าศรัทธาภละเพราะไม่หวั so ่นไหวเพราะความไม่ม you know ีศรัทธาชื่อว่าศรัทธาภละเพราะอุปธรรมสหชาตธรรมชื่อว่าศรัทธาภละเพราะมีสภาวะครอบงำกิเลสทั้งหลายชื่อว่าศรัทธาภละเพราะมีสภาวะเป็นความหมดจดในเบื้องต้นแห่งปฏิเวทชื่อว่าศรัทธาภละเพราะมีสภาวะตั้งมั่นแห่งจิต ชื่อว่าสัทธาภละเพราะมีสภาวะเป็นความผ่องแผ้วแห่งจิตชื่อว ta ่าสัทธาภละเพราะมีสภาวะเป็นเครื่องบรรลุธรรมวิเศษชื่อว่าสัทธาภละเพราะมีสภาวะรู้แจ้งธรรมที่ยิ่งชื่อว่าสัทธาภละเพราะมีสภาวะตรัสรู้สัจจะชื่อว่าสัทธาภลเพราะมีสภาวะให้การรบุคคล บุคคลผู้กระทำรรตั้งอยู่เฉพาะในนิโรดนี้เป็นศัทธาภละวิริยะภละเป็นอย่างไรคือชื่อว่าวิริยะภละเพราะมิวันวัยเพราะความเกียจคร้านชื่อว่าวิริยะภละเพราะมีสภาวะอุปธรรมสหชาตรธรรมชื่อว่าวิริยะภละเพราะมีสภาวะครอบแมมกิเลสทั้งหลายชื่อว่าวิริยะภละ เพราะมีสภาวะเป็นความหมดจดในเบื้องต้นแห่งปฏิเวธชื่อว่าวิริยะภละเพราะมีสภาวะตั้งมั่นแห่งจิตชื่อว่าวิริยะภะละเพราะม <iman S 1> ีสภาวะเป็นความของแพร่แห่งจิตชื่อว่าวิริยะภละเพราะมีสภาวะเป็นเครื่องบรรลุธรรมวิเศษชื่อว่าวิริยะภละเพราะมีสภาวะรู้แจ้งธรรมที่ยิ่งชื่อว่าวิ ร, ยริรยระภละ เพราะมีสภาวะตรัสรู้สัจจะชื่อว่าวิริยะภะละเพราะมีสภาวะให้การกคบุคคลตั้งอยู่เฉพาะในนิโรธนี้เป็นวิริยะภะละสติภะละเป็นอย่างไรคือชื่อว่าสติภะละเพราะไม่หวั่นไหวเพราะความประมาทชื่อว่าสติภะละเพราะมีสภาวะอุปธรรมสหาชาตธรรมชื่อว่าสติภะละ เพราะมีสภาวะให้การกบุคคลตั้งอยู่เฉพาะในนิโรดนี้เป็นสติภละสมาธิภละเป็นอย่างไรคือชื่อว่าสมาธิภละเพราะไม่หวั่นไหวพระอุทจจะชื่อว่าสมาธิภละเพราะมีสภาวะอุปถามาชาตธรรมชื่อว่าสมาธิภละเพราะมีสภาวะให้การกบุคคลตั้งอยู่เฉพาะในนิโรดนี้เป็นสมาธิภละ ปัญญาภละเป็นอย่างไรคือชื่อว่าปัญญาภะละเพราะไม่วันไวเพราะอาวิชชาชื่อว่าปัญญาภะละเพราะมีสภาวะอุปถาม์สหชาตธรรมชื่อว่าปัญญาภะละเพราะมีสภาวะให้การโรคบุคคลตั้งอยู่เฉพาะในนิโรธนี้เป็นปัญญาภะละหิริภะละเป็นอย่างไรคือชื่อว่าหิริภะละเพราะละอายกามชันทะด้วยเนคขมะ ชื่อว่าหิริภละเพราะละอายพยาบาทด้วยอพยาบาทชื่อว่าหิริภะละเพราะละอายถีนมิธะด้วยอาโลกสัญญาชื่อว่าหิริภละเพราะละอายอุทจจะด้วยอวิเคปะชื่อว่าหิริภละเพราะละอายวิจิกิจฉาด้วยธรรมววถฐานชื่อว่าหิริภละเพราะละอายอวิชาด้วยยานชื่อว่าหิริภละ เพราะละอายอรติด้วยปามุมชะชื่อว่าหิริภะละเพราะละายนิวรณ์ด้วยปทมชาญชื่อว่าหิริภะละเพราะละายกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตมักนี้เป็นหิริภละโอต ป, ปะภะละเป็นอย่างไรคือชื่อว่าโอต ป, ปะภะละเพราะเกรงกลัวกามฉันทะด้วยเนคขมมะชื่อว่าโอต ป, ปะภะละ เพราะเกรงกลัวพยาบาทด้วยอพยาบาทชื่อว่าโอตตะปะพละเพราะเกรงกลัวถีนมิทะด้วยอาโลกสัญญาชื่อว่าโอตตะปะพละเพราะเกรงกลัวอุทจจะด้วยอวิเคปะชื่อว่าโอตตะปะพละเพราะเกรงกลัววิจิกิจฉาด้วยธรรมววัานชื่อว่าโอตตะปะพละเพราะเกรงกลัวอวิชาด้วยยานชื่อว่าโอตตะปะละ เพราะเกรงกลัวอรารติด้วยปามมชฌะชื่อว่าโอตตปะพละเพราะเกรงกลัวนิวรด้วยปฐมฌานชื่อว่าโอตตปะพละเพราะเกรงกลัวกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตมักนี้เป็นโอตตะปะพละปฏิสังขานพละเป็นอย่างไรคือชื่อว่าปฏิสังขานพละเพราะพิจารณากามฉันทะด้วยเนคขมะชื่อว่าปฏิสังขาณพละ เพราะพิจารณาพยาบาทด้วยอัพยาบาทชื่อว่าปฏิสังขนานภละเพราะพิจารณาถีณมิทะด้วยอาโลกสัญญาชื่อว่าปฏิสังขานภละเพราะพิจารณาอุทจะด้วยอวิเคปะชื่อว่าปฏิสังขานภละเพราะพิจารณาวิจิกิช้าด้วยธรรมววัานชื่อว่าปฏิสังขานภละเพราะพิจารณาอวิชาด้วยยาน ชื่อว่าปฏิสังขาณะละเพราะพิจารณาอรติด้วยปามุเชชื่อว่าปฏิสังขาณะละเพราะพิจารณานิวรณ์ด้วยปฐมฌานชื่อว่าปฏิสังขาณะละเพราะพิจารณากิเรทั้งปวงด้วยอรหัตมักนี้เป็นปฏิสังขาณะละภาวนาพละเป็นอย่างไรเคยชื่อว่าภาวนาพละ <montre believers family> เพราะพระโยคาวจรละกามชันทะย่อมเจริญเนกขมมะชื่อว่าภาวนาภละเพราะพระโยคาวจรเมื่อละพยาบาทย่อมเจริณาพยาบาทชื่อว่าภาวนาภละเพราะพระโยคาวจรเมื่อละถีนมิทะย่อมเจริญอาโลกาสัญญาชื่อว่าภาวนาภละเพราะพระโยคาวจรเมื่อละอุทจะย่อมเจริญอวิเคปะ <mister ius> ชื่อว่าภาวนาพละเพราะพระโยคาวจรเมื่อละวิจิกิจฉาย่อมเจริญธรรมววัฏานชื่อว่าภาวนาพละเพราะพระโยคาวจรเมื่อละอวิชาย่อมเจริญญาณชื่อว่าภาวนาพละเพราะพระโยคาวจรเมื่อละอารติย่อมเจริญปามุชะชื่อว่าภาวนาพละเพราะพระโยคาวจรเมื่อละนิวรย่อมเจริญปฐมฌาน ชื่อว่าภาวนาภะเพราะประโยคาวจรเมื่อละกิเลสทั้งปวงย่อมเจริญอรหัตตมรักนี้เป็นภาวนาภะอนาวัชชะภะเป็นอย่างไรคือชื่อว่าอนาวัชชะภะเพราะในเนี่ยขมมะไม่มีโทษแม้น้อยหนึ่งเพราะละกามาชันทะได้แล้วชื่อว่าอนาวัชชะภะเพราะในอภิญาบาตไม่มีโทษแม้น้อยหนึ่งเพราะละพยาบาตได้แล้ว ชื่อว่าอนนวัชชะพละเพราะในอะโลกะสัญญาไม่มีโทษแม้น้อยหนึ่งเพราะละถีนามิทาได้แล้วชื่อว่าอนนวัชชพละเพราะในวิเขปะไม่มีโทษแม้น้อยหนึ่งเพราะละอุทจจได้แล้วชื่อว่าอนนวัชชะพละเพราะในธรรมววัฏานไม่มีโทษแม้น้อยหนึ่งเพราะละวิจิกิจฉาได้แล้วชื่อว่าอนนวัชชพละ เพราะในญาณไม่มีโทษแม้น้อยหนึ่งเพราะละอวิชชาได้แล้วชื่อว่าอนนวัชชภละเพราะในปามุชะไม่มีโทษแม้น้อยหนึ่งเพราะละอารติได้แล้วชื่อว่าอนนวัชชะละเพราะในปถมฌานไม่มีโทษแม้น้อยหนึ่งเพราะละนิวรณ์ได้แล้วชื่อว่าอนนวัชชะละเพราะในอรหัตตมรักษไม่มีโทษแม้น้อยหนึ่งเพราะละกิเลทั้งปวงได้แล้ว นี้เป็นอนัวัชภละสังคหภละเป็นอย่างไรคือชื่อว่าสังคหภละเพราะพระโยา media, ja คาวจรเมื่อละการมชันทะย่อมรวมจิตไว้ด้วยอำนาจเนคขมะชื่อว่าสังคหภะละเพราะพระโยคาวจรเมื่อละพยาบาทย่อมรวมจิตไว้ด้วยอำนาจอพยาบาทชื่อว่าสังฆะภะละเพราะพระโยคาวจรเมื่อละถีนามิทะ ย่อมรวมจิตไว้ด้วยอำนาจอารโรกัญญาชื่อว่าสังหะพละเพราะพระโยคาวจรเมื่อละกิเลสทั้งปวงย่อมรวมจิตไว้ด้วยอำนาจอารหัตมักนี้เป็นสังหะพละขันติพละเป็นอย่างไรเคอชื่อว่าขันติพละเพราะเนคข ม, มย่อมอดทนเพราะละกามชันทะได้แล้วชื่อว่าขันติพละเพราะอภยาบาทย่อมอดทน เพราะละพยาบาทได้แล้วชื่อว่าขันติภละเพราะอาโลกสัญญาย่อมอดทนเพราะละถีนมิทะได้แล้วชื่อว่าขันติภละเพราะอวิเสปะย่อมอดทนเพราะละอุทจะได้แล้วชื่อว่าขันติภละเพราะธรรมววัานย่อมอดทนเพราะละยุจิกิจฉาได้แล้วชื่อว่าขันติภละเพราะยานย่อมอดทนเพราะละอวิชาได้แล้ว ชื่อว่าขันติภละเพราะปามุจฉย่อมอดทนเพราะละอารติได้แล้วชื่อว่าขันติภละเพราะปฐมฌานย่อมอดทนเพราะละนิวรณนได้แล้วชื่อว่าขันติภละเพราะอรหัตมรักย่อมอดทนเพราะละกิเลสทั้งปวงได้แล้วนี้เป็นขันติภละปัญญติภละเป็นอย่างไรคือชื่อว่าปัญญติภละ เพระาะพระโยคาวจรเมื่อละกามชันทะย่อม mm ตั้งจิตไว้ด้วยอำนาจเนคขมะชื่อว่าปัญญติภะละเพราะพระโยคาวจรเมื่อละพยาบาทย่อมตั้งจิตไว้ด้วยอำนาจอภยาบาทชื่อว่าปัญญาติภะละเพราะพระโยคาวจรเมื่อละถีนมิทะย่อมตั้งจิตไว้ด้วยอำนาจอารโลกสัญญาชื่อว่าปัญญาติภะละเพราะพระโยคาวจรเมื่อละกิเลทั้งปวง ย่อมตั้งจิตไว้ด้วยอำนาจอรหัตตมัคนี้เป็นปัญจติภะะนิชติภะะเป็นอย่างไรคือชื่อว่านิชติพลระเพราะพระโยคาวจ ร, เ ม, รเมื่อละกามฉันทะย่อมเพ่งจิตด้วยอำนาจเนียขมะชื่อว่านิชติพลระเพราะพระโยคาวจรเมื่อละพยาบาทย่อมเพ่งจิตด้วยอำนาจอาพยาบาทชื่อว่านิชติภะะ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละถีนมิทะย่อมเพ่งจิต ด, ด้วยอานาจอาโลคสัญญาชื่อว่านิชัติภะละเพราะพระโยคาวจรเมื่อละกิเลทั้งปวงย่อมเพ่งจิต ด, ด้วยอํานาจอารหัตมักนี้เป็นนิชัติภะละอิสริยะภะละเป็นอย่างไรคือชื่อว่าอิสริยะภะละเพราะพระโยคาวจรเมื่อละกามฉันทะ ย่อมบังคับจิตให้เป็นไปตามอำนาจด้วยอำนาจเนคข ม, มะชื่อว่าอิสริยะพระเพราะพระโยคาวจรเมื่อละพยาบาทย่อมบังคับจิตให้เป็นไปตามอำนาจด้วยอำนาจอาพยาบาทชื่อว่ า, า, ศาศอิสริยะพละเพราะพระโยคาวจรเมื่อละถีนมิทะย่อมบังคับจิตให้เป็นไปตามอำนาจด้วยอำนาจอาโลกสัญญ า, า, าชื่อว่าอิสริยะพระ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละกิเลธทั้งปวงย่อมบังคับจิตให้เป็นไปตามอำนาจด้วยอำนาจอรหัตมักนี้เป็นอิสริยะภละอธิฐานภะละเป็นอย่างไรเคยชื่อว่าอธิฐานภละเพราะพระโยคาวจรเมื่อละกามฉันทะย่อมอธิฐานจิตด้วยอำนาจเนคขมะชื่อว่าอธิฐานภละเพราะพระโยคาวจรเมื่อละพยาบาท ย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจอภยบาตรชื่อว่าอธิฐานภละเพราะพระโยคาวจรเมื่อละถีนมิทะย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจอาโลกสัญญาชื่อว่าอธิฐานภละเพราะพระโยคาวจรเมื่อละกิเลทั้งปวงย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจอรหัตมักนี้เป็นอธิฐานนภละสมถะภละเป็นอย่างไร คือความที่จิตเป็นเอกคตารม์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจเนื้อขมมะเป็นสมถะภละความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจอภยาบาศเป็นสมถะภละความที่จิตเป็นเอกคตารม์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจอาลกะสัญญาเป็นสมถะภละความที่จิตเป็นเอกคตารม์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็น <He S 2> ความสละเคลืนหายใจเข้า เป็นสมถพะพละความที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นความสลละคืนหายใจออกเป็นสมถพะพละคำว่าสมถพะพละอธิบายว่าชื่อว่าสมถพะพละเพราะมีความหมายว่ายอย่างไรคือชื่อว่าสมถพะพละเพราะจิตไม่วันวายนินิวอนด้วยปฐมฌานชื่อว่าสมถพะพละ จิตไม่ไวันไว้ในวิตกวิจารณ์ด้วยทุติยฌานชื่อว่าสมถะภละเพราะจิตไม่วันไห ว, ไวในปีติด้วยตติยฌานชื่อว่าสมถะภละเพราะจิตไม่วันไห ว, ไวในสุขและทุกข์ด้วยเจตุทัชฌานชื่อว่าสมถะภละเพราะจิตไม่วันไห ว, ไวในรูปสัญญาปฏิฆะสัญญานาณต Current. สัญญาด้วยอากาสานัญจายะชนะสมาบัติ ชื่อว่าสมถพละเพราะจิตไม่วันไหวในอากาศสานัญญาตนะสัญญาด้วยวิญญาณัญจายตนะสมาบัติชื่อว่าสมถพละเพราะจิตไม่วันไหวในวิญญาณัญญาตนะสัญญาด้วยอากินจัญญาตนะสมาบัติชื่อว่าสมถพละเพราะจิตไม่วันไหวในอากินจัญญาตนะสัญญาด้วยเนวสัญญานาสัญญาตนะสมาบัติ ชื่อว่าสมถะภะเพราะจิตไม่วันไว้ไม่กวดแกว่งไม่เอ็นเอียงเพราะอุทัจจะเพราะกิเลส ท, ที่ประกอบด้วยอุทัจจะและเพราะขันนี้เป็นสมถะภะวิปัสสนาภะเป็นอย่างไรคืออนิจจานุปัสสนาเป็นวิปัสสนาภะทุกขานุปัสสนาเป็นวิปัสสนาภะปฏินิสัพกขานุปัสสนาเป็นวิปัสสนาภะ อ น, นิจจานุปัสสนาในรูปเป็นวิปัสสนาระทุกขานุปัสสนาในรูปเป็นวิปัสสนาภะปฏินิสัคานุปัสสนาในรูปเป็นวิปัสสนาระอนิจจานุปัสสนาในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณในจักขคุอนิจจานุปัสสนาในชราและมรณะเป็นวิปัสสนาภะทุกขานุปัสสนาในชราและมรณะเป็นวิปัสสนาภะ ปฏินิจักขานุปัสนาในชราและมรณะเป็นวิปัสนาภะคําว่าวิปัสนาภะอธิบายว่าชื่อว่าวิปัสนาภะเพราะมีความหมายว่าอย่างไรคือชื่อว่าวิปัสนาภะเพราะจิตไม่วันวายในนิจสัญญาด้วยอนิจานุปัสนาชื่อว่าวิปัสนาภะเพราะจิตไม่วันวายในสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสนา ชื่อว่าวิปัสนาภะเพราะจิตไม่วันวายในอัตตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสนาชื่อว่าวิปัสนาภะเพราะจิตไม่วันวายในนันทิด้วยนิพิทานุปัสนาชื่อว่าวิปัสนาภะเพราะจิตไม่วันวายในราคะด้วยวิราคานุปัสนาชื่อว่าวิปัสนาภะเพราะจิตไม่วันวายในสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสนาชื่อว่าวิปัสนาภะ เพราะจิตไม่วันไหวในอาธานะด้วยปฏินิสจกานุปัสนาชื่อว่าวิปัสนาภะะเพรา ะ, ะจิตไม่วันไหวไม่ขัดแวงไม่เอ็งเอียงเพราะอาวิชาเพราะคิเลสที่ประกอบด้วยอวิชาและเพราะขันนี้เป็นวิปัสนาภะะเศคารภะะสิบเศคารภะะสิบเป็นอย่างไรคือชื่อว่าเศคารภละ เพราะพระเสกขะยังต้องศึกษาสัมมาทิฏฐิชื่อว่าอเสขาพละเพราะพระอเสขะศึกษาในสัมมาทิฏฐินั้นเสร็จแล้วชื่อว่าเอเสขาพละเพราะพระเสขยังต้องศึกษาสัมมาสังกัปปะชื่อว่าอเสขาพละเพราะพระอเสกขะศึกษาในสัมมาสังกัปปะนั้นเสร็จแล้วชื่อว่าเสขาพละเพราะพระเสขะยังต้องศึกษาสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมายานสัมมาวิมุตติชื่อว่าอาเซคขาพละเพราะพระอาเสคขาศึกษาในสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมายาน สัมมาวิมุตินั้นเสร็จแล้วเสกขาภละสิท์อเสกขาภละสิทธินี้แหละขีณาสวะภละสิทเป็นอย่างไรคือสังขารทั้งปวงเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาศพในพระธรรมวิในนี้เห็นว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงแม้ข้อที่สังขารทั้งปวงเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาศพในพระธรรมวิในนี้ เห็นว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกําลังของพิสุขีนาศพซึ่งพิสุขีนาศพได้อาศัยแล้วยืนยันความสิ้นอาสวะว่าอาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแล้วการมทั้งหลายเป็นธรรมที่พิสุขีนาศกเห็นว่าเปรียบด้วยหลุมทานเพลิงด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริง แม้ข้อที่ร์การทั้งหลายเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาศกเห็นว่าเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาศพซึ่งภิกษุขีณาศพได้อาศัยแล้วยืนยันความสิ้นอาสวะว่าอาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแล้วจิตของภิกษุขีณาศพเป็นธรรมชาติโน้มไปน้อมไ ป, อมไปโอนไปในวิเวกตั้งอยู่ในวิเวก ยินดีในเนกขมมะว่างจากธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสะวะโดยประการทั้งปวงแม้ข้อที่จิตของภิกษุขีนาศเป็นธรรมชาติโน้มไปโน้มไปโอนไปในวิเวกตั้งอยู่ในวิเวกยินดีในเนกขมมะว่างจากธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวงนี้ข้เป็นกำลังของภิกษุขีนาศซึ่งพิกษุขีนาศได้อาศัยแล้ว ยืนยันความสิ้นอาสวะว่าอาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแล้วสติปฐานสี่เป็นธรรมที่ภิสุขีนาศกเจริญอบรมดีแล้วแม้ข้อที่สติปฐานสี่เป็นธรรมที่พิสุขีนาศกเจริญอบรมดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิสุขีนาศกซึ่งภิสุขีนาศกได้อาศัยแล้วยืนยันความสิ้นอาสวะว่าอาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแล้ว สัมมาประทานสี่เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาศพเจริญอบรมดีแล้วอิทธิบาทสี่อินสี่ห้าภละห้าโพชฌงเจ็ดอริยมัคมีองแปดเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาศพเจริญอบรมดีแล้วแม้ข้อที่อริยมัคมีองแปดเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาศพเจริญอบรมดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุเขีณาศพซึ่งภิกษุขีณาศพได้อาศัยแล้ว ยืนยันความสิ้นอาสวะว่าอาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแล้วนี้ก็เป็นกําลังของพิษุขีนาศ ส, สิกอิทิพะสิบอะไรบ้างคือหนึ่งฤทธิ์ที่อธิษฐานสองฤทธิ์ที่แสดงได้ต่างๆสฤทธิ์ที่สาเร็จด้วยใจสฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณหฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิหฤทธิ์ของพระอริยะ 7. ฤทธิ์เกิดจากผลกรรม 8. ฤทธิ์ของท่านผู้มีบุญ 9. ฤทธิ์ที่สำเร็จมาจากวิชา 10. ชื่อว่าฤทธิ์เพราะมีสภาวะสำเร็จด้วยการประกอบโดยชอบในส่วนนั้นๆเป็นปัจจัยนี้อิทธิพละสิทธิ์ตถาคตะพละสิทธิ์อะไรบ้างคือตถาคตรู้ชาติฐานะโดยความเป็นฐานะและอฐ า, านะ โดยความเป็นอาถานะในโลกนี้ตามความเป็นจริงการที่ตถาคตรู้ชัดฐานะโดยความเป็นฐานะและอาถรณะโดยความเป็นอาถรณะตามความเป็นจริงนี้เป็นกําลังของตถาคตที่ตถาคตอาศัยแล้วยืนยันฐานะที่องค์อาจบรรเลงสีหนาประกาศพรหมจักในบริษัท ต, ตถาคตรู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมที่เป็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะ โดยเหตุตามความเป็นจริงการที่ตถาคตรู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือคำที่เป็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริงนี้เป็นกําลังของตถาคตตถาคตรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงการที่ตถาคตรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงนี้เป็นกาลังของตถาคต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 และการออกจากฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติตามความเป็นจริงการที่ตถาคตรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแผ่วแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติและการออกจากฌานวิโมกสมาธิและสมาบัตตามความเป็นจริงนี้เป็นกําลังของตถาคตตถาคตเระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้าง ระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้การที่ตถาคตระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างนี้เป็นกําลังของตถาคตตถาคตเห็นหมู่สัตว์ที่กํำลังจุติและกําลังเกิดด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์การที่ตถาคตเห็นหมู่สัตว์ที่กําลังจุติและกํำลังเกิดด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ นี้เป็นกําลังของตถาคตตถาคตทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันการท hey! ี่ตถาคตทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่ม <ius Jesus. y stuffing> ีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ well, <my> <veya> ้นแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นกําลังของตถาคตที่ตถาคตอาศัยแล้ว ยืนยันฐานะที่องค์อาจบรรลอยศรีหณะประกาศพระมิจักในบริษัทนี้ตถาคตภละสิบชื่อว่าศรัทธาภะละเพราะมีสภาวะอย่างไรชื่อว่าวิริยะภละเพราะมีสภาวะอย่างไรชื่อว่าสติภะละเพราะมีสภาวะอย่างไรชื่อว่าสมาธิภะละเพราะมีสภาวะอย่างไรชื่อว่าปัญญาภละเพราะมีสภาวะอย่างไร ชื่อว่าหิริภละเพราะมีสภาวะอย่างไรชื่อว่าโอตตปะภละเพราะมีสภาวะอย่างไรชื่อว่าปฏิสังขาณะภละเพราะมีสภาวะอย่างไรชื่อว่าตถาคตภะละเพราะมีสภาวะอย่างไรคือชื่อว่าสัทธาภละเพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีสัทธาชื่อว่าวิริยะภละ เพราะมิสภาวะไม่หว e im ั่นไหวเพราะความเกียรคร้านชื่อว่าสติภละเพราะมิสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะความไม่ประมาทชื huh. ่อว่าสมาธิภละเพราะมิสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะอุทจจะชื่อว่าปัญญาภละเพราะมิสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะอวิชชาชื่อว่าหิริภละเพราะละอายบาปอกุศลธรรมชื่อว่าโอตตะปะภละเพราะเกรงกลัวบาปอกุศลธรรม ชื่อว่าปฏิสังขาณะพละเพราะพิจารณากิเลสทั้งหลายด้วยญาณชื่อว่าภาวนาพละเพราะทำทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นมีรสเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าอนัวชะละเพราะในเนี่ยคัมมนั้นไม่มีโทษแม้น้อยหนึ่งชื่อว่าสังฆะพละเพราะพระโยคาวจรรวมจิตไว้ด้วยเนี่คัมมะเป็นต้นนั้นชื่อว่าขันติพละ เพราะเนกขมมะเป็นต้นย่อมอดทนต่อนิวรมีกรรมามฉันทะเป็นต้นนั้นชื่อว่าปัญญติภละเพราะพระโยคาวจรตั้งจิตไว้ด้วยเนคขมมะเป็นต้นนั้นชื่อว่านิชชติภละเพราะพระโยคาวจรย่อมเพ่งจิตด้วยเนกขมมะเป็นต้นนั้นชื่อว hmm? ่าอิสชริยะภละเพราะพระโยคาวจรย่อมบังค <The> ับจิตให้เป็นไปตามอำนาจด้วยเนขมมะเป็นต้นนั้น ชื่อว่าอธิฐานภละเพราะพระโยควาวจรย่อมอธิฐานจิตด้วยเนคขมมะเป็นต้นนั้นชื่อว่าสมถะพระเพราะจิตเป็นเอ ก, กคตารมณด้วยเนกขมมะเป็นต้นนั้นชื่อว่าวิปัสสนาพระเพราะพระโยควาวจรย่อมพิจารณาเห็นธรรมที่เกิดในภาวนานั้นชื่อว่าเสศขาพระเพราะพระเสขายังต้องศึกษาในสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั้น ชื่อว่าอาเสกขาพละเพราะพระอาเสกขะศึกษาในสัมมาทิฐิเป็นต้นนั้นเสร็จแล้วชื่อว่าขีนาสวะพละเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นแล้วด้วยความเห็นด้วยดีนั้นชื่อว่าอิทธิพละเพราะฤทธิ์ย่อมสำเร็จด้วยการอธิษฐานเป็นต้นด้วยการประกอบโดยชอบในส่วนนั้นนั้นเป็นปัจจัยชื่อว่าตถาคตพละ เพราะมีสภาวะมีกําลังหาประมาณมิได้ชนนี้พละกระถาจบ